เรื่องพระเจ้าพิพิสารทูลขอห้ามให้ราชพัฒ์บรรพชาลำดับนั้นพระเจ้าพิพิสารจอมทัพมครัฐได้ตรัสถามคณะมหามาตผู้พิพากษาว่าท่านภิกษุรูปใดให้ผู้ที่เป็นราชพัฒรบรรพชาภิกษุรูปนั้นต้องโทษสถานใดคณะมหาามาตผู้พิพากษากราบบังคมทูลว่าขอเดชะพระอุปชาต้องถูกตัดศีรษะพระอนุสาวนาจารย์ ต้องถูกดึงลิ้นพระคณะปุรกะต้องถูกหักซี่โครงไปแถบหนึ่งพระเจ้าข้าต่อมาพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครัตได้เสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งนาที่สมควรพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครัตผู้ประทับนั่งนาที่สมควรแล้วได้กราบทูล พระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระราชาทั้งหลายผู้ไม่ทรงศรัทธาไม่เลื่อมใสมีอยู่พระราชาเหล่านั้นจะพึงรบกวนเหล่าภิกษุด้วยเหตุเพียงเล็กน้อยได้ขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่พึงให้ราชพัฏบรรพชาพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงใหพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคราชเห็นชัด ชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อานหาันเกล้าเกล้าปลอบเฉลิมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาครั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมครัตผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชีง้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหา cell, ันเกล้ากล้าปลอบชฉลิมใจให้สดชื่นรา <The allen> ่าเริงด้วยธรรมีคาถาแล้วถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วกระทําประทักศิลเสด็จจากไป